การกล่าวถึงกรรมกล่าวถึงผลของกรรมกรรมในฐานะเป็นเหตุผลของกรรมเนี่ยนะที่เรียกว่าวิบากวิบากก็คือผลของเหตุแต่เป็นผลของกรรมปัจจัยความรู้ทางพระพุทธศาสนาในบรรด า, าก็คือปัจจัยทั้งหลายคือความรู้ในเรื่องของปัจจัยความรู้ในเรื่องของปัจจัยนั้น ท่านถือว่าแบ่งออกเป็นตัวปัจจัยนี้แบ่งลักษณะสองสัจจะคือปัจจัยตัวแรกคือสมุทัยสัจจะเป็นปัจจัยแห่งกองทุกข์ทั้งมวลปัจจัยอย่างที่สองก็คือปัจจัยที่ทำให้แทงตลอดนิโรธสัจจะปัจจัยอันนั้นก็คืออริยมรรคในบรรดาปัจจัยสองอย่างนั้นปัจจัยแห่งวตตะเป็นปัจจัยที่จะต้องปฏิบัติเพื่อการละเพื่อการทำลาย ส่วนปัจจัยที่จะทำให้รู้แจ้งแทงตลอดอริยสัจเป็นปัจจัยที่ต้องต้องเจริญต้องอบรมต้องทำให้มากต้องทำให้มีขึ้นนะเพราะว่าถ้าหากว่าปัจจัยแห่งอริยมรรคไม่เกิดไม่เจริญไม่มีขึ้นท่านถือว่าเป็นความเสื่อมในพระาศาสนานี้ในคำสอนของพระพุทธเจ้านีตอนที่เรากาลังกล่าวอยู่นี้ชื่อว่ากล่าวปัจจัยแห่งทุกขสัจจะนะกล่าวถึงปัจจัยแห่งกองทุก ตัวทุกขสัจจะนั้นนะถ้านับหนึ่งก็คือทุกขสัจจะคือกองทุกทุกก็อย่างที่เราเคยได้ยินว่าทุกมาจากทุกขังใช่ไหมทุกแปลว่าไม่ดีขังแปลว่าเหมือนอากาศทุกขังก็คือแปลว่าไม่ดีด้วยแล้วก็เหมือนอากาศคือว่างเปล่าประดุษอาการที่วิปริตแปรปรวนเสร็จแล้วก็ว่างเปล่าปัจจัยแห่งทุกอันนั้นตัวปัจจัยหลักๆที่ทําให้เกิดทุกเนี่ยนะก็คือ อวิชาตันหากรรมถ้าปัจจัยแห่งรูปธรรมทั้งหลายก็คืออาหารอาหารถ้าปัจจัยของนามธรรมทั้งหลายล่ะก็คือภาษะหรือนามรูปเนี่ยสิ่งเหล่านี้ก็เป็นปัจจัยแห่งรูปธรรมและนามธรรมรูปธรรมเหล่านี้เป็นคําพูดแบบยอ่อนามธรรมก็เป็นคําพูดแบบยอ่คยอคําย่อนี้เอาไว้กล่าวกับใครผู้มีปัญญาเนี่ยนะ นนะผู้มีปัญญาผู้ที่สังสมบูรณ์ไวมากเขาฟังแต่เพียงคำว่านามรูปเขาก็สังเวชสลดใจว่าที่เราถือว่าเราว่าเป็นของเราแท้ที่จริงแล้วก็คือนามและรูปคือเขาฟังออกคำว่ารูปแปลว่าอะไรแปลว่าเสื่อมสิ้นสลายไปเขาฟังเข้าใจเลยไ ม, ไม่ต้องให้อัตถะเนี่ยนะเขาฟังแล้วรู้เรื่องเลยว่ารูปคือเสื่อมสิ้นสลายไปนามธรรมชาติที่น้อมไปรู้อารมณ์ ทำเหล่านี้มีเหตุเป็นแดนเกิดถ้าเหตุดับผลก็ดับคือเขาฟังปั๊บเขาเข้าใจเลยแล้วก็สามารถเอาไปปฏิบัติได้เลยว่านามรูปเหล่านี้นี่แหละคือภูมิภูมิให้เกิดปัญญาหมายก็ว่าผู้ที่จะเจริญปัญญาต้องไปวินิจฉัยไปวิจัยไปไข่ครวนไปพิจารณานามรูปเหล่านั้นนั่นแหละส่วนผู้มีปัญญาน้อยทั้งหลายก็ต้องขยายเพิ่มว่า นามรูปเนี่ยคือขันธ์หนะประกอบไปด้วยรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณก็ขยายว่ารูปคืออะไรคือภูตรูปและอุปาทายรูปเวทนามี3สัญญามี6สังขารมี6วิญญาณก็มี6อย่างงี้สัญญา6คืออะไรคือรูปประสัญญาเป็นต้นสังขาร6ก็คือรูปประสัญเจตนาเป็นต้นวิญญาณก็คือจักขุวิญญาณเป็นต้นอันนี้คือขันธ์ห การแสดงตามขันห้าก็ถือว่าผู้ใดฟังก็ถือว่าเป็นผู้มีปัญญามากเพราะผู้มีปัญญามากจำแนกนามจำแนกรูปเป็นหนึ่งจำแนกนามเป็นสี่ประการส่วนผู้มีปัญญาน้อยไปกว่านั้นอีกก็ต้องแสดงแบบอายตนะให้ขยายเพิ่มมีตามีรูปมีหูมีเสียงมีจมูกมีกลิ่นมีเลนมีรสซึ่งแต่ละอย่างก็เป็นบอกเกิดของจิตและเจตสิก มีกายมีโพธิภะและมีใจธรรมรมเนี่ยนะธรรมะธรรมะคือ ส, สิ่งที่เกิดร่วมกับเจตสิกทั้งหลายธรรมายตนะนั้นคือสิ่งที่เกิดร่วมกับเจตสิกทั้งหลายธรรมรมกับธรรมายตนะคนละอย่างกันธรรม ร, รมนั้นคือเวน้นเว้นรูปเสียงกลิ่นรสโพธิภะซะอันนะนั่นเรียกว่าธรรมรมส่วนธรรมายตนะเว้นอายตนะสิบอที่เหลืออันนะเว้นอายตนะสิบอดซะที่เหลือนั้นเป็น ธรรมายตนะผู้ที่ผู้ที่ได้รับคำสอนเกี่ยวกับเรื่องอายตนะนั้นผู้นี้เป็นผู้ที่กาหนดรูปโดยมากกาหนดรูปโดยมากถ้ากําหนดรูปโดยมากก็จะเห็นนามที่เกิดตามถวันนั้ น, น, นส่วนผู้มีปัญญาน้อยไปกว่านั้นอีกน้อยกว่านั้นนะจะต้องแสดงแบบพิสดารกระจายออกให้เห็นเลยนะจากโคท่ารูปธาตุ จักขู่วิญญาณธาตุโสตธาตุสัตธาตุโสตวิญญาณธาตุทวารจมูกอีกก็คานาธาตุคันธาตุคานวิญญาณธาตุเฉวหาธาตุรสศธาตุเฉวหาวิญญาณธาตุกายธาตุโพธพภธาตุกายวิญญาณธาตุมโนธาตุธรรมธาตุและมโนวิญญาณธาตุมันปัญญาไม่มากนะก็ต้องกระจายให้มากที่สุดเท่าที่จะกระจายได้ผู้ที่มีปัญญาน้อยกว่านั้นอีกล่ะ น้อยกว่าที่กล่าวไปแล้วนี่มีอีกไหมมีเพิจารณาปทวีธาตุนั่นแหละอย่างเดียวเป็นยี่สิบพิจารณาอาโปธาตุอย่างเดียวนั่นแหละเป็นสิบสองพิจารณาเตโชธาตุเป็นสี่พิจารณาวาโยธาตุว่าเป็นหกแล้วก็พิจารณากระจายสิ่งเหล่านี้ไปเดีนี้ถ้าปัญญาน้อยไปกว่านั้นอีกทำไงพิจารณาผมนั่นแหละโดยเป็นธาตุสี่พิจารณาเล็บนี่แหละเปิดเอ่อ ผมขนเล็บแต่ละอย่างเนี่ยคูณท่าสี่ลงไปทุกเรื่องเพราะว่าในผมเองก็มีปฏทวีอาโปเตโชและวาโยขนก็มีปฏทวีอาโปเตโชและวายโยเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกตายเป็นต้นก็แต่ละอย่างก็มีปฏทวีอาโปเตโชและวายโยทีนี้การที่จะวิจัยให้ละเอียดลึกซึ้งไปกว่านั้นเนี่ยปฏทวีในเส้นผมอาโปเตโชวาโยในเส้นผมก็แบ่งว่า ส่วนหนึ่งเกิดจากกรรมนะส่วนหนึ่งเกิดจากจิตคือปัทวีอาโปเตโชวาโยส่วนหนึ่งเกิดจากกรรมปัทวีอาโปเตโชวาโยส่วนหนึ่งเกิดจากจิตปัทวีอาโปเตโชวาโยส่วนหนึ่งเกิดจากอุตตปัทวีอาโปเตโชวาโยส่วนหนึ่งเกิดจากอาหารปัทวีเป็นต้นเหล่านั้นก็ต้องมีสีมีกลิ่นมีรสและโอชาถ้าเกิดจากกรรมมีชีวิตเกิดร่วมด้วยอันนะ ชีวิตที่เกิดร่วมด้วยกับภาวะรูปบ้างกับกายะบ้างทีนี้ถามว่าที่รากของผมที่ประกอบด้วยรูป44รูปดังกล่าวไป น, น, นสองกลุ่มเอ่อสองกลุ่มคือกายะทัศกะกับภาวะทัศกะอันนั้นเป็นผลของกรรมอะไรบ้างที่เป็นเอ่อกรรมไหนกรรมที่มันให้ผลก็บางอย่างเป็นเอ่อทิฏฐธรรมให้ผลเป็นสิ่งเหล่านี้ได้ไหม ได้แต่เป็นปัจจัยอุปธรรมเป็นต้นเนี่ยนะแล้วอุปชาเวทนิยกรรมทำให้ผมเกิดได้ไหมได้อภราพรเวทนิยกรรมทำให้ผมเกิดได้ไหมผมที่เกิดขึ้นที่เป็นกรรมมชรูปเกิดด้วยชนกกรรมกรรมบางส่วนมาอุปธรรมพกรรมบางส่วนมาอุปปีและกรรมบางส่วนมาทำลายเลยเนี่ยนะร่วงหมดเลยอย่างงี้ก็เป็นอุปคาตกรรมไป หลังการพิจารณากรรม12เหล่านี้ก็ต้องปัจจยุบบันผลผลคือผมแล้วเอากรรม12มาพิจารณาผลคือขนวิบากเนี่ยนะตัวที่ผลของกรรมเนี่ยคือขนก็เอากรรมมาพิจารณาลงเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกหัวใจไตเป็นต้นเนี่ยนะแต่ละส่วนก็ไปยกเอากรรมทั้งที่เป็นทิฏฐธรรมเวชนิยกรรมอุปชั่วเวชนียกรรมอภิราภิระเวชนิยกรรม มาพิจารณาอโหสิกรรมไม่ต้องใช่ไหมทำไมล่ะเพราะมันไม่ให้ผลอยู่แล้วเนี่ยน ะ, ะเมื่อเข้าใจายอย่างนี้ก็จะรู้ว่าในเส้นผมเนี่ยนะมีกรรมอยู่ด้วยไห ม, มอืมฟังให้ดีนะมผมในเส้นผมมีเจตนาด้วยหรอมไม่มี ในเส้นผมเนี่ยเป็นแต่รูปธปรรมรูปทั้งหลายเหล่านี้ไม่มีกรรมอยู่ในนั้นเลยเพราะกรรมนั้นคืออดีตตเหตุที่ดับไปแล้วอดีตที่อดีตเหตุที่สิ้นไปแล้วหมดไปแล้วถามว่ามีผู้ใดเสวยกรรมเสวยผลกรรมอยู่ที่เส้นผมไหมไม่มีแล้วกรรมที่ดับไปแล้วมีผู้ทํากรรมไหมไม่มีกรรมมีอยู่จริง ผลของกรรมเหล่านี้ก็มีอยู่จริงแต่ขณะที่กรรมเกิดเช่นยกตัวอย่างว่าวาจีกรรมคาพูดที่ออกอเจตนาตัวนี้เป็นเหตุให้เกิดผมเนี่ยนะในขณะที่เจตนาเกิดขึ้นมีใครอยู่ในเจตนาไหมไม่ ม, ม, มีเพราะฉะนั้นตอนทำกรรมก็ว่างจากผู้ทำผลออกมาคือกรรมมัชรูปก็ไม่มีผู้เสเวอร์อยู่ในนั้นอย่างนะทีนี้ ดีกาท่านว่าไงนะดีกาฟังแล้วก็เจ็บๆคันๆอยู่เหมือนกันท่านบอกว่าแม้คนโง่ทั้งหลายเมื่อพูดว่าผู้สร้างและผู้เสวยดังนี้ย่อมพูดแต่เพียงบัญญัติเท่านั้นโดยอัถะความหมายโดยแท้ถึงอย่างนั้นคนโง่เหล่านั้นก็ย่อมพูดไปด้วยอำนาจความยึดมั่นอย่างผิดๆเพราะเหตุนั้นคาของคนโง่นั้นไม่เป็นประมาณคือคนโง่ถือว่าผู้ทากรรมมีอยู่ ผู้เสวยผลของกรรมมีอยู่ดีไม่ดีอ่ะคนโง่เขาถือว่ามีผู้หนึ่งนะที่ไม่ใช่ว่าโดยแบบกรรมสักตานะมีผู้หนึ่งเป็นผู้สร้างอ่าเป็นผู้ทํากรรมอันั้นมาผู้ทํากรรมบันดาลอย่างนั้นเรานี่แหละคือผู้รับผลของกรรมอันนั้นก็เลยมีผู้ทําและมีผู้รับใช่ไหมดงั้นคนโง่นั้นจะกล่าวเช่นนั้นว่ามีผู้ทําและมีผู้รับดีไม่ดีก็ไปโยนให้พรหมเป็นผู้ทําให้เราบ้าง โยนให้พระอิสวนเป็นผู้ทาให้เราบ้างเรานี่แหละคือผมผมนี่แหละคือเรานั่นคือโลกของคน่านทั้งหลายผู้ไม่ได้กําหนดรู้สิ่งที่ควรกําหนดรู้เหล่านี้นั้นคน่านทั้งหลายจึงสาคัญผิดว่าเรานี่คือผู้เสวยผลแห่งกรรมใครเน้ะทำกรรมเหล่านี้ที่ไม่ดีให้เราหรือผู้ใดานาะทากรรมทำให้เราได้เสวยผลแห่งกรรมที่ดีด ก็เลยไปถามหาอย่างนี้ใช่ไหมโลกนี้มีเยอะนะใครนะช่างทำกรรมที่ไม่ดีให้เราเลยอย่างง้นะก็อันนี้คือวินิจฉวิจารณญาณในเรื่องกรรมนี้วิบัติเนี่ยนะคือเข้าใจผิดพลาดเพราะฉะนั้นตามหลักของคำสอนพระ อ, องค์ตรัสว่าเมื่อกรรมมีอยู่เมื่อเหตุมีอยู่คือเจตนาในอดีต วิเคราะห์ให้ออกนะว่าเจตนานี้เกิดด้วยยังไงเช่นเจตนาทั้งหลายเกิดในชาวนะใช่ไหมเจตนาที่เกิดในชวนะที่เป็นกรรมที่เป็นต้นเหตุแล้วชวนะมันเกิดได้ยังไงหลักง่ายๆก็คืออาศัยวัตถุทวารวิญญาณและอารมณ์นะวัตถุด้วยทวารด้วยวิญญาณด้วยอารมณ์ด้วยเจตนานั้นจึงเกิดได้เจตนานั้นเมื่อทํากิจชักชวนกระตุน้นเตือนชักชวนสัมปยุตะธรรมรับอารมณ์ทํากิจจัดแจง ตอนแรกก็เป็นสหาชาตริกรรมเกิดขึ้นขณะนั้นกรรมเหล่านั้นเมื่อดับไปเมื่อได้ปัจจัยอื่นๆพร้อมกรรมเหล่านี้จึงให้ผลได้กรรมเหล่านี้จึงให้ผลได้เพราะนั้นกำเหล่านั้นที่ดับไปแล้วเนี่ยเป็นปัจจัยแก่รูปทั้งหลายที่เกิดขึ้นในภายหลังเพราะนั้นกำไม่รูปทั้งหลายเหล่านี้เนี่ยมีกำเป็นปัจจัยกรรมตัวนั้นคือนามธรรมนามธรรมเหล่านั้นคือเจตนาที่ดับไปแล้วดับเมื่อไหร่ โดยมากก็กรรมในชาติที่แล้วนนะแล้วแค่ไหนบอกแล้วสองชาติบ้างแล้วสามชาติบ้างสี่ชาติบ้างหรือแล้วทำไว้แล้วเมื่อแสนกับที่แล้วบ้างนนะผลเหล่านี้จึงเกิดขึ้นทีนี้มีผมขึ้นมาเนี่ยนะผมเนี่ยเป็นเวทีแห่งการทำกรรมอย่างมากเลยใช่ไหมนนะทำกรรมที่เส้นผมนี่ทำกันจริงๆอย่างที่เมื่อวานกล่าวถึงว่าเป็นเวทีแห่งวิจีกรรมมากกายกรรมก็ไม่เบามโนกรรมก็ยิ่ง มากนั้นเป็นทั้งทวารวัตถุอารมณ์ของเจตนากรรมในปัจจุบันเพราะฉะนั้นเจตนากรรมในปัจจุบันก็เป็นเหตุให้มีมีอะไรต่อไปก็มีผมต่อไปในอนาคตเนี่ยนะมีผมต่อไปในอนาคตเพราะการมีผลมีผมซึ่งเป็นผลของกรรมเพื่อเชื่อมให้มีอะไรต่อไปให้มีผมต่อไปอะไจะต้องวีอีเท่าไหรนะ่เน้อผมของเรานะชาตินี้ถ้าเราไม่ตัดนะักกิมเมด็ดดิไม่ตัดเลย อห้ยาตั้งแต่เกิดมานะก็จะได้ชายผมยาวที่สุดระดับโลกแบบแบบพวกแมวอ่ะนะประเทศที่มีผมยาวที่สุดในโลกคือประเทศไทยถ้าเล็บยาวที่สุดในโลกอินเดียก็ไอคนพี่ตายไปแล้วคนน้องมาแทนตาแหน่งพี่ไปแล้วตอนนี้คือชายที่มีผมยาวที่สุดในโลกเพรา ะ, ะนั้นก็มาพันพันพันได้นนรอบตัวหลายรอบเนี่ยนะท ด, ดูมันจะมาหาบริหารขนาดไหนนะ อชายที่มีเล็บยาวก็เล็บยาวมากเลยยังกระถืออีดาบไปไหนกระถือดาบไปด้วยนะนะเล็บยาวมากแต่ฟันนี่ถ้าไม่มีการแปลงให้มันไม่รู้มันงอกขนาดไหนไม่รู้เนาะปล่อยให้มันงอกไปงอกไงว่าไงไม่มีการเคี้ยวไม่มีการบดให้มันงอกไปเรื่อยๆเนี่ยนะงอกไหมงอกหรือไม่งอกไม่งอกวันนี้เลยหรือแน่ใจนะแน่ใจไหมหมาโยพิน อ้าถ้าไม่มีคู่อันหนึ่งที่มาคอยยันมันน้อยนะมันจะงอกขึ้นแต่ทีนี้ที่มันไม่งอกเนี่ยก็เพราะว่าอีกฝั่งหนึ่งมันจะกดทับกดทับแล้วมันมีการบดแล้วมันมีการสึกเรอไปก็หมอก็บอกว่าถ้าลองมีอยู่ซี่หนึ่งนะที่ไม่มีฟันอื่นๆมารับกระทบเลยเคี้ยวไปแล้วมันจะค่อยๆงอกขึ้นมันจะยาวผิดปกติเช่นฟันขยัอยังไงนะฟันขยันออกมามันจะยาวผิดปกติใช่ไหม ฟันขยอนนี่ยาวนะยาวกว่าฟันธรรมดาเพราะว่าไม่ได้มีการเสียดสีไม่มีการดัดไม่มีการตัดออกไปนันแต่ว่า ก, ก็ยาวกว่าปกตินิดหน่อยแต่ก็ถือว่ายาวพอสมควรฟันทั้งหลายของเราเนี่ยนะที่มันมันยังเป็นอย่างนี้ได้จริงๆ ม, มันมีการสึกเคี้ยวอาหารไปแต่ละครั้งมันมีการสึกร้ออยู่แต่ก็มีการบำรุงขึ้นมาเรื่อยๆเนี่ยนะก็เป็นไปอย่างนี้แหละ ฟันทั้งหลายพวกนี้ก็ส่วนหนึ่งก็เป็นผลของกรรมแล้วฟันเนี่ยการที่เรามีฟันก็เป็นที่ตั้งแห่งการทํากรรมเนี่ยนะการทํากรรมนะเวลาเคี้ยวหนึ่งครั้งเนี่ยทํากรรมหนึ่งทีนะเจตนาที่เป็นเหตุให้เคี้ยวเนี่ยนะวันหนึ่งเคี้ยวกี่รอบแล้วก็ทํากรรมมาเยอะเหมือนกันนะเพื่อให้มีฟันอีกต่อไปเนี่ยนะก็ พันธเราทั้งหลายมีผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกตายเป็นต้นเนี่ยสิ่งเหล่านี้ซึ่งเกิดจากกรรมอันนี้นี่จิตตชั่วโรบอุตูชรูปอาหารชรั่วรบละไว้ในฐานที่เข้าใจกันเรามาพูดเฉพาะกรรมมชร่วโที่มีอยู่ในผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกเป็นต้นผลของกรรมเหล่านี้เป็นที่ตั้งแห่งการทํากรรมใหม่ทําไมจึงเป็นที่ตั้งแห่งการทํากรรมใหม่ละ่ะ เพราะในผมขนเล็บเป็นต้นเนี่ยมีกายะประสาทะอยู่ด้วยกายะประสาทะเหล่านั้นเนี่ยมีชื่อว่ากายวัตถุเป็นที่อาศัยเกิดแห่งกายวิญญาณในขณะเดียวกันก็เป็นกายทวารแห่งกายทวารวิถีจิตนะเป็นกายทวารให้เกิดกายทวารวิถีจิตทีนี้เมื่อเกิดกายทวารตามที่นั้นๆเป็นอุปนิสัยชั้นอ่เป็นอุปนิสยัสย ที่มีกําลังมากต่อชาวณจิตทั้งหลายที่ดูง่ายๆปวดฟันแล้วนั่งใช้อย่างนี้หรือเปล่าไม่จัดแจงด้วยกายกรรมบ้างวจีกรรมบ้างมโนกรรมบ้างเพราะว่ากายวิญญาณที่เกิดขึ้นโดยอาศัยกายเหล่านั้นเป็นอุปนิสัยให้มโนทวานเนี่ยทำกิจทั้งกายกรรมวจีกรรมและมะโนกรรมเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้เป็นฐานให้ทํากรรมต่างๆอีกตั้งหลายกรรม เป็นอุปนิสัยให้ทำกรรมนัม้นการมีผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเป็นต้นที่เป็นกายทวารในนี้ในแง่ากายยานะและยังในแง่าภาวะรูปอีกล่ะเพราะยังมีภาวะรูปอีกนั้นกายประสาธากายทักะกราบภาวะทักะกราบถือว่าเป็นปัจจัยที่สําคัญแห่งกายกรรมวจีกรรมและ ม, มโนกรรมนะโดยเฉพาะภาวะรูปทั้งหลายใช่ไหมภาวะรูปคือความเป็นหญิงภาวะรูปคือความเป็นชายเนี่ย ผมเหล่านี้ก็เป็นที่ตั้งแห่งการทำกรรมที่วิจิตแตกต่างกันออกไปก็เลยอาศัยสิ่งเหล่านี้ทำกรรมใหม่ๆขึ้นเพื่ออะไรในคำพีท่านบอกว่าผู้หญิงจะเป็นผู้หญิงได้ตลอดไปคืออะไรหนึ่งชอบผู้ชายข้อที่สองยินดีในภาวะแห่งหญิงยินดีในเครื่องประดับตกแต่งเป็นต้นก็รักษาสถานะของหญิงได้อีกหลายชาตินั่นนะเอาไมดีไหมไ ด, ดีนะ เรไม่มีเพศไหนกว่ากานี้อีกแล้วะแต่ผู้ชายล่ะถ้ารักษาสถานะของผู้ชายล่ะข้อหนึ่งชอบผู้หญิงข้อสองข้อสองยินดีในความเป็นชายแล้วห้ามทําการมเมนะห้ามทําการเมแต่ว่าผู้หญิงก็ชอบชอบผู้ชายก็ชอบเอเป็นผู้ชายก็ชอบแล้วทำเมอันนี้ตกไปเป็นหญิงนะ เพราะว่าผู้ชายก็ผู้หญิงหลายคนก็เคยเกิดเป็นผู้ชายแต่เนื่องจากพลาดทางทางวัตถุกรรมเหล่านี้ก็เลยตอนหลังก็กลายเป็นผู้หญิงไปเช่นใครพระอนุนเป็นต้นหรือพระนางอิสิธาศีเถรีเนี่ยนะก็อดีตท่านก็เป็นผู้ชายแต่ตอนหลังก็ถ้าความที่ท่านการเมสุมมชขาจางก็เลยกลายไปเป็นหญิงไปในตอนหลังทีนี้ถ้าชายคนใดปรารถนาเป็นหญิงอันนี้ไม่ยากเลย แต่ถ้าหญิงปรารถนาเป็นชายบอกว่าต้องยินดีในภาวะคือความเป็นชายและก็ไม่ค่อยไม่ชอบผู้หญิงโดยโด ย, โดยภาวะเนี่ยนะแล้วก็เจริญกุศลตั้งความปรารถนาเพื่อเป็นชายเขาก็จะได้เป็นชายในในภายหลังเนเพราะฉะนั้นโครปร ะ, ะเทศพบุตรเนี่ยนะอดีต ท, ท่านเป็นผู้หญิงเป็นโครปร ะ, ะสะกยะเนี่ยนะเป็นสะกยะผู้หญิงที่ทำบุญให้ทานฟังธรรมตอนหลังเป็นพระสกท า, าคามี ท่านตายจากชาตินั้นไปเกิดเป็นโคปะเถเพปบุตรไปเกิดเป็นเทพผบุตรเลยไปเกิดเป็นผู้ชายนะเป็นเป็นเทพบุตรที่มีบริวารเยอะเลยครับนี้เพราะเป็นพระสกาทาคามีด้วยในเรื่องเพศเรื่องภาวะก็เป็นสิ่งที่เปลี่ยนได้ตัวไหนเป็นพาเปลี่ยนกรรมพาเปลี่ยนขณะเดียวกันก็แล้วแต่ตันหามันเสี้ยมสอนว่าอะไรดีกว่ากันนะก็ตันหาเป็นปัจจัยให้ทํากรรมกรรมก็เป็นปัจจัยให้เกิด ภาวะรูปภาวะรูปเหล่านี้เป็นที่ตั้งแห่งความพอใจภาวะรูปนี้ถือว่าเป็นสภาวะที่น่าปรารถนาน่าพอใจมากอย่างที่พระองค์ตรัสว่ารู ป, ร, ปรูปเสียงเลี่ยนรสโพธภพของหญิงเนี่ยนะเป็นที่รักเป็นที่พอใจเป็นที่ต้องการของบุรุษบุรุษก็มีจิตวนเวียนอยู่ในรูปเสียงเลี่ยนรสโพธภพของหญิงทั้งหลายขณะเดียวกันโดยมากหญิงทั้งหลายก็ ชอบพอใจในรูปเสียงกปลิ่นรสโพธภาพของชายดะนั้นวัตตก็เลยยืดยาวกันในลักษณะนี้เพราะอารมณ์เหล่านี้เป็นที่ตั้งแห่งความพอใจเป็นที่เป็นเป็นปรูปสาตรูปเป็นสภาวะที่น่าปรารถนาน่าใคร่และน่าพอใจเป็นเยื่อที่แสนจะอเรเดอร่อยของวัตตะวัตตก็ก็สืบสาวยาวราวเรื่องกวยาวเอาไปอย่างนี้แหละ ทีนี้กรรมเหล่านี้เนี่ยนะในหน้าห้าสิบหกจึงกล่าวว่าผู้ทํากรรมและผู้เสวยวิบากหามีไม่นะผู้ทํากรรมก็ไม่มีผู้เสวยผลของกรรมก็ไม่มีแต่แปลว่ากรรมมีอยู่ผลแห่งกรรมมีอยู่ธรรมะล้วนๆย่อมเป็นไปความเห็นอันมีประการดังกล่าวมานี้นี้เป็นสัมมาทัศนะเป็นความเห็นชอบเป็นความเห็นที่ถูกต้องว่า ว่าไงว่าที่กรรมนะไม่มีผู้ทำกรรมแต่เจตนากรรมมีอยู่ผลของกรรมไม่มีผู้เสวยแต่ผลแห่งกรรมมีอยู่อ่นนะถ้าใครมีปัญญาอย่างนี้ถือว่าเห็นถูกต้องและเห็นถูกต้องแล้วเพราะว่าธรรมะเหล่านี้ปราศจากศัก์อ่นนะปราศจากชีวะปราศจากบุคคลตัวตนอัตตาเป็นต้นเนี่ยไม่มี เมื่อกรรมและวิบากพร้อมทั้งเหตุเป็นไปอยู่อย่างนี้ย่อมไม่ปรากฏเบื้องต้นและเบื้องปลายเหมือนอย่างพืชกับลําต้นไปฉะนั้นเนี่ยนะคือคื อ, คอสิ่งเหล่านี้มันเชื่อมโยงกันไปใช่ไหมเหมือนพืชกับมเมล็ดพืชพืชที่เกิดขึ้นเพื่ออะไรเพื่อสร้างมเมล็ดใช่ไหมพืชเนี่ยะมะม่วงข้าวอะไรเป็นต้นเนี่ยสิ่งเหล่านี้ที่เจริญเติบโตขึ้นมาเพื่อสร้างมเมล็ดเมื่อมีมเมล็ดจะได้ไปทําอะไรเอาไปเพาะปลูกอกีก พพาะปลูกอีกจริญเติบโตเพื่อมีเม็ดเพื่อสร้างเม็ดสร้างเม็ดเสร็จก็เพาะปลูกเชื่อมโยงกันไปเนี่ยนะอย่างประเพณีสืบต่อของพันุเข้าก็สืบต่อมาลักษณะนี้อาจจะมีการกลายพันธุ์อยู่บ้างแต่ว่ายังไงก็ยังเป็นข้าววันยังข่ําไม่มีข้าวกลายพันธุ์ไปเป็นมะพร้าวหรอกเนาะนนก็ยังอยู่ในพันุเข้าอยู่ดีหรือไอประเพณีการสืบต่ออย่างนี้เหมือนอย่างไก่และไข่ ไก่พอมีแม่ไก่ออกมาก็เพื่ออะไรเพื่อจะได้มีไข่มีไข่ไข่ก็เอาไปฟักเพื่อเป็นไก่ไก่ก็พอตระนเติบโตขึ้นมาก็เพื่อมีไข่แล้วก็ฟักก็สืบเชื่อมโยงกันไปอย่างนี้แหละประเพณีแห่งไก่ไม่ใช่วัฒนธรรมนะประเพณีคือการสืบต่อของไก่พันไก่ก็สืบพันธุ์มาอย่างนี้แหละชีวิตของเราทั้งหลายที่สืบต่อในวัฏฏะก็เป็นอย่างนี้อาศัยกรรมในอดีตเป็นปัจจัยแห่ง ให้เกิดผลในปัจจุบันได้รับปัจจุบันเหล่านั้นก็ทําเหตุใหม่เพื่อให้มีผลต่อไปแม้ในอน า, อนาคตการเมื่อสังสารวัตยังมีอยู่ก็ย่อมไม่ปรากฏความไม่เป็นไปคือหมายความว่าถ้ายังเป็นไปอยู่อย่างนี้ถามว่าจะจะอภิวัตตัดับได้เมื่อไหร่จะเลิกมีอย่างนี้เมื่อไหร่ คือเมื่อมีแต่เหตุมีแต่ผลมีแต่เหตุมีแต่ผลอย่างที่ถ้าเปรียบเทียบอุปมาก็เหมือนอย่างว่าตื่นเช้ามาเนี่ยเอาไปใช้นี่ห้าบาทกู้มาพันล้านนะก็เอาไปทําความชั่วบัสเบสเซ็ตนะเช้ามาก็อ่ะเหลือไว้ห้าบาทไปใช้นี่แล้วก็กู้มาอีกพันล้านเนี่ยนะแล้วดอกเบีย้ยมาหาโหดเนี่ยถามว่าเมื่อไหร่จะใช้นี่หมดไม่หมดเราทั้งหลายก็เหมือนกันนะเราเสวยผลของกรรมจริงๆแล้วไม่มาก แต่เราทํากรรมมากกว่าพูดแบบหยาบๆนะหลับกับตื่นไหนมากกว่ากันตื่นมากกว่าก็แสดงว่าทํากรรมมากกว่าสเสวยผลของกรรมบางทีอดหลับอดนอนสองวันสองคืนก็มีใช่ไหมแต่หลับทีเดียวสองวันสองคืนหายากเว้นแะต่ว่าถูกยากลบยาอะไรเป็นต้นถึงขนาดนั้นก็ยังแอบทากรรมอยู่นะตอนหลับอะทาอะไรฝันไงก็ยังฝันฝันนั้นก็ยังเป็นกรรมอยู่อีก เพราะฉะนั้นว่าโดยรวมๆเนี่ยทำกรรมมากกว่าโดยเวลานะสมมติว่าวันหนึ่งยี่สสี่ชั่วโมงเนี่ยคนที่นอนเก่งมากก็ประมาณแปดชั่วโมงนเนี่ยนะประมาณแปดชั่วโมงนี้ก็โดยมากก็ถือว่าเต็มที่แล้วถ้าใครนอนเกินกว่านี้ก็นอนฝันอย่างเดียวมันก็ขณะที่ฝันก็เป็นกรรมแล้วผลของกรรมนะมันเกิดทีละขณะมันก็สเสวยผลไปแต่ตัวกรรมเนี่ยทกรรมเท่าใดก็ให้ผลเท่านั้นใช่ไหม เพราะอะไรทำทำกรรมเท่าไหรไม่ใช่มันให้ผลเท่านั้นเพราะกรรมหนึ่งกรรมบางอย่างมันให้ให้ผลห้าร้อกลับอย่างนี้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นทําเหตุแค่ครั้งเดียวอย่างยกตัวอย่างว่าทําบุญกับพระอริยเจ้าไว้ครั้งเดียวไหว้พระธาตุเป็นต้นไว้ครั้งเดียวสเสวยผลบุญอยู่ยาวนานอันนี้ถ้าพูดตามคมภีร์วิมานวัตถุนะถ้าไปพูดตามคมภี์เปรตวัตถุนะฆ่าพ่อไว้ครั้งเดียว ฆ่าพ่อไว้คนเดียวเนี่ยนะเสวยทุกไปอีกนาน เ, เพราะว่าการทํากรรมนี่คือการลงทุ น, <g ül> น, นผลิตผลิตผลของการลงทุนครั้งนี้หาประมาณนี้ได้ <g ül> เพราะฉะนั้นใครที่อยู่มีความคิดว่าจะใช้กรรมให้หมดอันนี้ไม่ใช่ฐานะที่จะเป็นได้เพราะไม่มีใช้หมดจริงๆเพราะฉะนั <g ül> ้นถ้าหากว่าเมื่อทํากรรมขนาดนี้ แล้วผลเนี่ยมันมากมายขนาดนี้ความไม่เป็นไปมันจะอยู่ที่ไหน น, น, นะนะอภิวัติอภิวัตะอยู่ที่ไหนคำว่านั้นความไม่เป็นไปก็ย่อมไม่ปรากฏไม่ปรากฏหรอกมันจะสิ้นสุดเมื่อไหร่แล ะ, ละาศาสนาเดียร์ีเขามีหลักการอย่างนี้เคยเห็นไอ้ไหมพรมไหมไหมพรมที่เขามาโมนๆใช่ไหมแล้วก็มาโยนไปแล้วมันก็ค ล, คลี่ๆไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็หมดมันก็สุดมันเองเดียร์ธีนี่เขาถือลักษณะนี้นะ เยไม่ต้องไปคิดอะไรมากเวียนว่ายตายเกิดเดี๋ยวก็จบไม่ตายเกิดเกิดตายตายเกิดไม่กี่กลับหรอกเดี๋ยวก็หมดแล้ะเพราะมันเหมือนกลุ่มได้อย่างนั้นเพราะฉะนั้นพวกเดียร์ธีไม่รู้ความข้อนี้จึงเป็นผู้หาอำนาจในตนเองไม่ได้อันนี้คือลทัทธิเดียรธ์ธีนี่เป็นอย่างนี้เที่ยวยึดถือสัตตสัญญาความสาคัญว่าเป็นสัตว์แล้วย่อมเล็งเห็นว่าเที่ยงเพราะละทัทธิสัตตสัญญาหรือสัตต สัตตสัญญาคือความสำคัญหมายว่าเป็นสัตว์ก็จะตามด้วยสัตตทิฏฐิหรืออุเฉททิฏฐิเมื่อเกิดสัตตทิฏฐิก็จะต่อด้วยทิฏฐิในพรหมชาลสูตรถ้ามีอุเฉททิฏฐิในพรหมชาลสูตรเนี่ยนะมีอยู่หกสิบสองทิฏฐิหกสิบสองทิฏฐิเนี่ยนะเป็นอุเฉททิฏฐิเจ็ดนะ 62เอาออก7เดือเท่าไร55ใช่ไหมเป็นสัสตตทิฏฐิ55เป็นอุเฉททิฏฐิ7รวมเป็น62ทิฏฐิ62เลือกเบื้องหลังก็คือสัสตตทิฏฐิกับอุเฉททิฏฐินั่นแหละทีนี้พอกระจายความเห็นเหล่านี้ก็ทะเลาะกันเองทะเลาะกันในเรื่องทิฏฐิมันเดียร์ีนี่ทะเลาะกันในเรื่องทิฏฐินี่รุนแรงมาก ถึงขนาดเข็นฆ่ากันก็ด้วยอํานาจของทิฏฐิมีสัมมาทิฏฐิอย่างเดียวที่ไม่ยอมไปฆ่าใครในบรรดาทิฏฐิทั้งหลายนะสัมมาทิฏฐิจะไม่ตระกอบให้ล่วงกรรมบดตัวสัมมาทิฏฐนะิจะไม่ร่วงกรรมบด ท, ที่ที่เป็นบาปเป็นอกุศลแต่ถ้าอยู่ในมิจฉาทิฏฐิตัวใดตัวหนึ่งอยู่พร้อมที่จะทำปานาติบาตพร้อมที่จะทําบาปอากุศลสารพัดอย่างในโลกท่า น, นมิจฉาทิฏฐิเนี่ยมันจึงทะเลาะ ก, กันอย่างสงครามสมัยใหม่ก็สงครามเบื้องหลังก็ ปฏิเสธไม่ได้ว่าไม่มีทิฐิอยู่เบื้องหลังมันทิฏฐินี้เป็นปัจจัยให้ทําปาณาติบาตก็ได้ให้ทําอธินนาทานเป็นต้นก็ได้ก็เลยทะเลาะกันเขียนข้ากันเพราะอํานาจของทิฐิถือว่าทิฐิอของเราประเสริฐที่สุดทิฐิ อ, อื่นเลวผู้ใดนับถือทิฐิ อ, อย่างฉันเป็นคนดีใครที่นับถือนับถือทิฐิ อ, อื่นจากฉันเป็นคนเลวเนั่นแหละก็เลยมีการว่าร้ายนะมีการทะเลาะกันมีการแข่งแย่งกันอยู่นั่นแหละ สรุปว่าถือเอาแต่ความเห็นของตัวใช่ไหมทิฏฐิเหล่านี้ถ้ามันเหนียวแน่นมากก็เนี่ยอีทังสัจจาพินิเวสกายคันทะอีทังสัจจาบอกนี่แหละจริงอย่างอื่นไม่ใช่อย่างนี้เท่านั้นจริงอย่างอื่นไม่ใช่ความยึดถืออย่างรุนแรงแบบนี้เท่านั้นจริงอย่างอื่นไม่ใช่ปฏิเสธเอาขนาดนั้นมันยิ่งใหญ่จริงจริงมันยึดถือจริงๆถามว่าพวกที่เป็นสัมมาทิฏฐิเขาพิจารณาว่ายัางไงเขาบอกสิ่งเหล่านี้เป็นสังขารธรรมไม่ใช่หรือ ถูกปัจจัยปรุงแต่งไม่ใช่หรือสิ่งใดที่ถูกปัจจัยปรุงแต่งสิ่งนั้นล้วนแต่ไม่เที่ยงอันนี้คือสัมมาทิฏฐิทุกอย่างแม้กระทั่งว่ามองเห็นปัญญาก็เป็นสังขารธรรมเป็นสิ่งที่เกิดจากปัจจัยปรุงแต่งมันปัญญาเสื่อมได้นะนะถ้าไม่อบรมไม่เจริญไม่ประกอบบ่อยๆปัญญาเสื่อมได้เพราะนั้นปัญญาเองก็เสื่อมเป็นเพราะผู้ที่เป็นสัมมาทิฏฐิทั้งหลายจะไม่ยึดถือโดยที่สุดไม่ยึดถือด้วยคำว่ายึดนะเป็นชื่อของอะไร ตัณหามาณทิฏฐิหรือตัณหาอุปาทานเพราะฉทัานไม่ยึดไม่ยึดแม้กระทั่งปัญญาก็เห็นว่าอย่างอย่างพระองค์บอกว่าตถาคตรู้หมดแหละแต่ว่าไม่ยึดถือในความเห็นเหล่านั้นไม่ยึดถือแม้กระทั่งสัพพัญญุตญาณไม่เป็นอารามณปัจจัยของตัณหามาณทิฏฐิของพระพุทธเจ้าเลยนะสัพพัญญุตญาณนะพระพุทธเจ้าไม่อาศัยสัพพัญญุตญาณแล้วเกิดมานะไม่อาศัยสัพพัญญุตญาณแล้วเกิดทิฏฐิไม่อาศัยสัพพัญญุตญาณแล้วเกิด ไม่อาศัยสัพพัญญุตยานให้เกิดตัณหามานะและทิฐิเลยเพราะพระ อ, องค์รอบรู้ว่าสัพพัญญุตยานก็เป็นสังขารธรรมที่ได้รับการอบรมมา20่สิอสงไขยเนี่ยนะได้รับการอบรมมาแต่ว่าสัพพัญญุตยานเหล่านี้ก็เนื่องด้วยอาวัชนะเนื่องด้วยการนึกถ้าไม่นึกสัพพัญญุตยานก็ไม่เกิดเช่นว่าถ้าพระ อ, องค์ไม่นึกพงก็จะไม่รู้อดีตถ้าไม่นึกก็ไม่รู้อนาคต คำว่าไม่รู้คือตัวสัพพัญยุตยานไม่เกิดเพราะสัพพัญยุตยานเนื่องด้วยอาวัชนะเนื่องด้วยการนึกนะนะแต่พระองค์เนี่ยชำนาญในการนึกเป็นผู้มีถึงวสีภาวะชํานาญในการนึกนั้นประสงค์จะรู้สิ่งใดก็จะรู้เลยเพราะพระองค์นึกเป็นอานะัชลาที่จะนึกนึกแล้วก็เห็นได้เลยด้วยอํานาจของสัพพัญยุตยานเพราะว่ายานทั้งหลายสัพพัญยุตยานเกิดที่ชวนะเป็นมหากิริยาญาณสัมปยุต เพราะฉะชาวนะทั้งหลายก็ต้องเกิดด้วยมีอวชนะเป็นปัจจัยถ้าอาวชนะไม่เกิดก่อนชาวนะจะเกิดได้ไหมเกิดไม่ได้เพราะนั้นพวกปัญญาทั้งหลายผู้ที่เป็นสัมมาทิฏฐิจึงไม่ยึดถือแม้กระทั่งปัญญาคือไม่ยึดด้วยอำนาจตันหามานะและทิฐิแต่ขณะเดียวกันท่านรู้ว่าปัญญามีอุปการะมากเป็นพหุการะธรรมใช่ไหมเป็นธรรมที่มีอุปการะมากเพราะสัมมาทิฏฐิยังลงในบุคคลใดอย่างบุคคลนั้นให้พ้นทุกข์ คือท่านรู้ในความมีอุปการะมากตอนพระพุทธเจ้าดับขันพริญิพานพรลาดขันเสียใจไหมไม่เสียใจอุย๊ยพระพุทธเจ้าดีขนาดนี้ตายทํำไมพรลาดขันน่าจะเสียใจบ้างเนะไม่เสียใจท่านบอกว่าสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนอหน่าตำหนิสังขารทั้งหลายแม้แต่สังขารระดับพระพุทธเจ้าก็ยังไม่เที่ยงท่านปรรพอย่างนี้นะขนาดสังขารที่เลิศดีขนาดนี้สังขารเหล่านั้นก็ยังไม่เที่ยง เพราะสังขารธรรมทั้งหลายประดุดกองไฟที่มาสมแล้วลุกโพล่ขึ้นใช่ไหมเมื่อหมดเชือ้อฟินหมดเชือ้อไฟเหล่านั้นก็ย่อมดับไปฉันใดสังขารทั้งหลายเนี่ยนะถ้ามองแบบกองไฟนี่เห็นชัดกองไฟที่ลุกได้ก็อาศัยเชื้อเพลิงเช่นฟืนเป็นต้นมาสมสมสมกันเข้าท่านหน้าหนาวแล้วใครที่สมไฟเพื่อจะผิงนี่เห็นชัดถ้าหากว่าหมดเชือ้อ ไฟไม่จนหมดเชื้อไฟก็ย่อมดับไปฉันใดสังขารทั้งหลายก็เป็นเช่นนั้นแหละส่วนปุตุชนเนี่ยเติมฟืนอยู่ตลอดเวลาเติมฟืนให้วัตถะนะไฟคืออะไรที่ปุตุชนเพิ่มอยู่ตลอดไฟคือราคะไฟคือโทสะ ไ, ไฟคือโมหะไฟคือชาติชร า, ช า, ชามรณะโสกะปริเทวะทุกขโทมนัสและอุปาญาตไฟกองเหล่านี้เนี่ยนะถูกเพิ่มฟืนอยู่ตลอดเวลาเพิ่มยังไง เพิ่มด้วยการสอดสายหาอารมณ์เป็นที่ตั้งแห่งราคะบ้างแสวงหาอารมณ์เป็นที่ตั้งแห่งโทสะบ้างแสวงหาอารมณ์เป็นที่ตั้งแห่งโมหะบ้างการแสวงหาอารมณ์เป็นที่ตั้งแห่งกิเลสนั่นแหละคือการเติมฟืนให้ราคะโทสะโมหะจึงชื่อว่าเป็นการเติมฟืนให้ชาติชรามรณะโศกะปริเทวะทุกขโทมณตและอุปายาตเป็นการเติมฟืนให้วัตตะตลอด ดูได้จากการแสวงหาอารมณ์เป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดแสวงหาอารมณ์เป็นที่ตั้งแห่งความขัดเคืองแล้วก็แสวงหาอารมณ์เป็นที่ตั้งแห่งความลุ่มหลงเราแสวงหาอารมณ์มันเป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดอย่างไรก็ลองอาหารเนี่ยดูสิก็มีร้านอาหารทั่วไปนะเราจะขอเลือกเอาอย่างที่เราชอบไปก่อนเป็นระดับแรกใช่ไหมทั้งๆที่อาหารทุกอาหารเนี่ยกินแล้วไม่ตายทั้งหมดแล้ว สมมติว่าประโยชน์เท่ากันอะไรดีเท่ากันเราต้องเลือกเอาของที่เราชอบก่อนเป็นอันดับแรก น, นะนะแต่ถ้ามีอะไรหน่อยนะเราก็สแสวงหาอารมณ์เป็นที่ตั้งแห่งความขัดเคืองเป็นยังไงไปเที่ยวหาเรื่องจนได้ไม่สบายใจ น, นะนะคิดง่ายๆนะพูดจนพูดใจพูดมาพูดแตก็พูดแต่ตและเครียดเองเลยอันนี้แหละสแสวงหาอารมณ์เป็นที่ตั้งแห่งความขัดเคืองสิ่งเหล่านี้คือการสร้างวัฏตะ เป็นการสร้างวัตตะเพิ่มเพิ่มอารมณ์เพิ่มปัใจจัยให้แก่วัตตะอยู่ตลอดเวลาทีนี้สิ่งเหล่านี้เนี่ยอยู่บนพื้นฐานของทิฏฐิวันทิฏฐิเหล่านี้เนี่ยนะผู้ที่เป็นมิจฉาทิฏฐิไม่รู้ตัวหรอกนะว่าตนเป็นมิจฉาทิฏฐิเพราะยึดถือความเห็นอันนั้นเหนียวแน่นเขายึดถือว่าไอความเห็นของเขาเนี่ยดีที่สุดประเสริฐที่สุด ต่อเมื่อมีสัมมาทิฐิแล้วนั่นแหละจึงจะรู้ว่าอ๋อก่อนหน้านี้เป็นมิจฉาทิฐิต่อเมื่อมีสัมมาทิฐิแล้วนะถ้าสัมมาทิฏฐิไม่ได้รับหรือพูดง่ายๆว่าถ้าสัมมาทิฐิไม่เกิดขึ้นปัจจัยแห่งสัมมาทิฏฐิมีสองคือภายในกับภายนอกปะโตโคสกับโยนิโสถ้าเขาไม่มีปะโตโคสคือการฟังทศธรรมถ้าไม่มีโยนิโสมนัิการ สัมมาทิฏฐิก็เกิดไม่ได้ถ้าสัมมาทิฏฐิเกิดไม่ได้เขาไม่รู้หรอกว่าสิ่งที่ฉันเห็นความเห็นของฉันเป็นมิจฉาทิฏฐินะนะต้องมีสัมมาทิฏฐิแล้วนั่นแหละจึงจะรู้ว่าเป็นมิจฉาทิฏฐิเหมือนอย่างว่าคนที่คนที่เข้าใจผิดว่านี่คือทางมันเห็นว่ามันเป็นทางจริงๆนะ ต่อเมื่อมีไปเดินมีคนมาบอกว่ามีถนนอีกเส้นหนึ่งที่มันดีกว่าอะไรกว่าแล้วมันเป็นทางลัดเป็นทางตรงเป็นต้นเนี่ยนะต่อเมื่อฟังด้วยเหตุผลจนเข้าใจจึงหมดจึงรู้ว่าอ้าวที่ฉันกำลังเดินเนี่ยเดินทางผิดนี่นะแล้วผู้ที่เป็นมิจฉาทิถีเนี่ยโดยปกติปกปิดตัวเองปกปิดตัวเองมากไม่ยอมเคลียงง่ายๆนะไม่ไม่ยอมเรียกว่าพวกนี้ไม่เปิดเผยไม่เปิดเผย ทิฏฐิของตนตามความเป็นจริงเนี่ยนะเพราะว่าทิฏฐินี้เป็นที่ตั้งแห่งความหวงแหนเป็นที่ตั้งแห่งความยึดถือยึดถือมากก็ลองใครมาพูดปาดทิฏฐิเราดูสินะดังั้นคนที่เป็นยึดถือทิฏฐิใดรุนแรงมากเลยนะฟังทิฏฐิของบุคคลอื่นโทสะทันทีจะโทสะมากเลยเพราะยึดถือทิฏฐินั้นอย่างรุนแรงงนั้นทิฏฐิตัวนี้แหละเป็นเรียกว่าทิฏฐุปาทานความยึดถือเอาความเห็นของของตน แต่ทีนี้เราก็มาทบทวนดูนะ